เสนาสนะปัญญาปกาธิสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเสนาสนะปัญญาประกาเป็นต้นสมัยนั้นสงฆ์ยังไม่มีภิกษุผู้เป็นเสนาสนะปัญญาประกาศ ไม่มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลังไม่มีภิกษุรับจีวรไม่มีภิกษุผู้แจกจีวรไม่มีภิกษุผู้แจกข้าวต้มไม่มีภิกษุผู้แจกผลไม้ไม่มีภิกษุผู้แจกของเคี้ยวของเคี้ยวที่ยังไม่ได้แจกย่อมเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้